เมือไหรวาโลกคขามีส่วนผสมมากมากต่างๆนุ่มเยิ้มเค้มาคุามคำเมีส่วนผสมมากงานซึ่งตกัน ท, ทุกต้ น, นทุกตอต่างเปนเวลาอกอกตอเขียวตอยวต่างงานข้างเยอะๆพอเมพอมีสิ่งเชือกแสงที่เกือบ เ, เป็นอะไรมากงานการปฏิบัติง่ายการที่เกอ่ก็ ง, ง่าย แล้วอย่างอื่นที่เที <nt> ่เคร่งก็ขอบกันก็ง่ายถ้าไม่มีมากมายกับใมาเยตะๆทอนานๆๆๆก็ต้องมีเครื่องเครืองแสงเยอะๆและเครื่องเครื่องแสงเลานั่งใจกลายเป็นความจาเป็นขึ้นมามาปิดบังความจริงทีจจะมองไม่เห็น อาติอวิรานทั้งหทองคำมักบางพัชชุสงคมมุกมักบางพัทยสมเราจะเห็นมากในพิธีการต่างๆที่เกิดขึ้นกันนั่นเห็นมากก็มีการนีธรรมเนียนพิธีต่างๆส่วนการจินของ นี่ปาสไปแท้นั้นมีน้อมากนี่ผู้จะสังเกตเอาความจริงนั้นจะสังเกบได้ว่ายนนมามองดูสิ่งระดานที่อยู่นอาร้านหรืออยู่หน้าร้านนั่นกประดิษ์เอาสิ่งที่อยู่หน้าร้านั้นปที่อยู่หลงร้านต้องขันต้องขันก็ไม่เหมืนก็ต่ก่อนก็เป็นหน้าร้านขอหน้าร้านผิิวผาหน้าร้าน ต่อมาจะกลาเป็นหลังร้างัปถึงการแปลงเท่าไหงรมันก็มาอยู่ที่หน้าร่างตาไม่ถึงก็ไปถึงเฉพาะที่หน้าร้างมีความฝึกถึงหนึน่งสายอวัยวะทันทัสอยทันอวัยวะทันทันมีย่นเข้ามาถึงตัวของเราจต่ข้อยางยืดได้ใจ อันนี้ตองไะคิดเพื่อแสงคิดออกมาในขณะใดเรื่องใดมี่เปเรื่องเรื่อแสงทั้งนั้นเรื่องความจริงไม่ค่อยจะมีคือที่จะยึดคือที่จะปฏิบัติต่แก้ไขว่าอันใดผิดอันใดถูกิงทั้งกิดไม่เออกถั้งอันนี้ตะองคิดจำลอมทั้งหมหน้าร้านเหมือนกันเพื่ออาจก็ออก ก่อนแล้วมันเป็นวาเขาอยู่ที่ตกาออกข้ อ, อเขาเปิดประตูไม่ได้ออกของถึจ ง, ญญงจอมจอออกกรดนเง่้นลอยก่อนเนาวมันกินไม่ได้ออกแล้วสุดท้ายมมีแต่จอมจอมเต็มไปหมดของกินในกระดุกกระดุกไม่ได้คือหาทางออกไม่ได้การคิดแต่คิดเง้ยของพิรุษกติปัญญาประาราษฎรพิรุษ อะไรๆมีแบบที่เหลือจะไปใ้ารงก่นองมีที่ดีทื่เหลือจะไปใ้เรืหมอกก็ิตปัญญาที่จะเป็นอัดเป็นคันอยู่มาแยขายของรามหลักความจริงที่ประเที่ก้าวเป็นของง่ายเลยถ้าดประดิษฐ์ตัวไม่ติดที่เหลือมีมากมากกว่มีสู่ปฏิบททัติจริงลำบาก มีนักคือ่าพิธีศัพทาเป็นลำบากเพะอะไรเป็นศัพทาแค่อะไรไะนี่ครับมันมีตั้ตเรื่องเกี่ยวกับแสงไปหมดในศับท์าษาแมจะเพียงอยู่ตามบ้านตามเรือนทั้งคมแม้จะอยู่ในวัดก็ยังเกี่ยนไปบเรื่องแสานี้ของจริงนะก็รากกดเป็นลำบาก ท, ที่สุติประดิมความรู้ลากหลต่างๆ มันก็เป็นเรื่องโลกไอ้ทาให้หลืมตัวของนี้มันก็เปลี่ยนอยู่ภาในวัดในสาลไม่มีที่ไหน้มันเปลี่ยนอยู่ในบุคคลอีกบุคคลในวัดในวัดวัดไหนก็ตามถ้าเป็นมั่นก็เรื่องไมนเปลี่ยนขึ้นเดียวกันในวัดวันต่าวัดบ้านว่าพระป่าพระบ้านพระอะไรถ้ามันเปลี่ยนไปเรื่องของ ดือ่าคูณลังจะเกิดสนหลาอย่าง ja นั้นมันก็เรียกว่ามันตองไปดูดังนั้นยกตัวอย่างเช่นพุทธะร้าเราว่ามันช่นไม่ไดถ้าอะไรถ้าใครว่ามีใส่ใส่กับทายถลายถ้ามีดีดีต้องเห็นเป็นตู้โง่ถึงโงคำ เรื่องนี้ก็เกิดก็มีขึ้นมารามสิ่งอย่างนี้ก็ตามสึ่งที่สองก็เป็นความส่อของความคู่นั่นคือไม่ เ, เลื่อนลงไปทัง้งตัวไน้การแสวงหาอะไรนะั้นก็จะกดอนันต์กลุ่มหนึ่งถึงั่นก็รู้หนี่หยาดพ่ะหากความตั้ใจในสิ่งใดถึงนั่นก็ออาฆาต มอกขสฆาพิษหนักความหลักความจริงของพระพุทธศาสเป็นส่นสอนจิตใจก็อาเขาเศร้าหมองไม่มีความเกลียดกยุดความในนั้นเลยมีแต่เรื่องของที่หลุดตันหาเอาซะเติมประหมดในวงตัดตัณหาในวงผุอัดจิตแในวงระดวงเลในวงพุทธอดีตเติมเพื่อให้สิ่งต่าสิเลียแส ทีนี้เราก็ตําหนิผู้ใดถ้าตําหนิไม่ได้ถ้าต่างคนก็เป็นไปอย่างนั้นเนื่องจากไม่ใช่ตายไม่รู้แม้แต่ผู้แสดงเวลานี้ก็ไม่ได้ถือว่าเกลียดเกลียดั้งหลายอะไรเลยจะเป็นเพื่นเดียวกันกับพวกเราทั้งหลายที่ท่านท้างหลายเป็นขั้งหลายนั่นเองนั่เป็นความเป็นใจความทั้งเจ็บนอกความจริงความเรื่อแสงมันมีหรือไม่มันมีมากน้อยอท่าไร ความจินอย่างไรมี่เราพอที่จะเทียบพอที่จะเกี่ยน้านจากกลักธรรมทียยตม่ตั้งพระเจ้าทรงสั่งสอนและดำเนินมาตั้งแต่ตั้งคุกตาการมาถึงสมัยปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงของการปฏิบัติปฏิยาการเกิดคามมุ่งมั่นความตั้งอกตั้งใจนี้มีแตกต่างกันอย่างไรบ้าง น, นี่เราพอเทียบเทียบกันไดกเพมีหลักมีเกรียมมีกำนังงานแล้ว เมื่อเราจะไม่ทราบในทางไปดูสักจุสักทงขณะภาวนาก็มีที่แกงแบบท่าทั้หายขอประพาศบ้างใน่วงพุทธการกามีความชัโหลดใมีความนับน้อก็อย่างยิ่งเราเร่งการรักอันนี้ก็เป็นธรรมแบบหน้าอกตาในช่วงพุทการเราแดงสันเลขาตาขาคิดกับสัเลขาตาเจอว่าคำพูดที่เป็นไป กับเคื่องกางแท้ที่ดุจอาวัตที่เป็นเครื่องสานักที่ดุจอาวัตนั่นเลยสาหรับความเป็นเครื่องเป็นเครื่องเกเป็นอัปติคตาเป็นผู้มักน้อยถ้ามามักน้อยสำหรับท้างนั่นภาพไม่ครับแต่้งหลักคาวรวาสนี้ยิ่งส่วนมากไม่จะเข้าใจกันค่อนข้างที่คารวาก็เป็นผู้ควรจะปฏิบัติในธรรมก่อนหนี้มีอยู่ เป็นธรรมกันเต็ทั้งหมดแปว่าได้เช่นเดียวกันในท่าแหนงที่จำเป็หรือในส่วนที่จำเนเพาว่ามักน้อยจะมีมากมีน้อยเช่นไรก็าตามที่ขาศรัทธายเดินเขานำมาถลายแต่ต้องการเชียง น, น้อยๆเท่านั้นให้เป็นเชียงองเดิขอเียงจะเป็นเสือพงที่เดิสนเสนที่ลึก กานแสดงความโน้มความโือมากขึ้นขึ้นจากหลักธรรมของทูกแรกที่หลตยึดจิตใจจากคู่ปฏิบัติเพื่อความสัจจิเลตเน่ออสปจิตตังคือความมักน้อยมักน้อยทุกสิ่ทอย่างที่อยู่เภ่ยใต้ตัดใจพยายามต่างๆที่เป็นเครื่องอาศัยมีความมักน้อยฉะนั้นเพื่อความมักน้อยในอารมณ์เป็นเครื่องประกอนจิตใจขันโดดคือความ ยินดีตามมีกามมากมีมากมีมากแค่าการาเกิดการมีมีขยับขึ้นมาเป็นกางกลางคือไม่เด็กเกี่ยาพาพาวเป็นภาพโดยทั่วไปกันรับผูที่บบิบั ต, ต, ตมิมีหนาทึบหักพระอาศังจัพริกาสอนไม่ทุกป์ดีในระว่าสบำปพทิธิจอื่น คือไม่คิดดีด so, ีแต่ไม่เดินไมนเัินนี <As S 1> <Me> ่เมื่ออสังกับุิการไม่ดีเดินอยู่คณะซึ่งไม่ทำไปวิเวกตาจะให้อยู่ในที่สงบสงนทาบรักษาสิ่งทุกขควรทั้งรูปทั้งเสียงทั้งสลิ่งทั้งเลื่อนทั้งดอกต่างๆซึ่งเป็นทังตัวจิตใจวิริยลัมพาสอนให้ประการความภาคเพียงในญยบททั้งสี่ให้เป็นไปด้วยความภาคเพียง มันเป็นไปเพความแงที morning, good morning, good morning, good good morning, hey, ่เร็เย้อนเสียตลาด่านั้นทีมเป็นวามมเป็นตัวน่าระวังสีเรืองให้เชื่อมาจากกดพระบัญญัติที่ทรงสงวเลยนะสมาธแสดงถึงความ้งบฤทธิ์ควมมเย็นของใจแสดงถึงความมั่นคงของใจมันเป็นหน้าฐานทั้งคำที่จะเป็นคดีงี้เป็นเชื่อ ที่พริปัญญาในเราทยุดพ้นไปเกิดความเฉลยดฉลานทำกับการต้องการยิ่มมุดผีเมื่อสมาธิเมื่อปัญญามีความสามารถเก่งแก่นี่ยความดุดพ้นก็ต้องเกิสสดขึ้ น, นในสถานที่นั้นวนมุตติยาพัฒนาความยุ่งแยงพัฒนาความดุดพ้นท้ทตงตนเขายอมปรากฏขึ้นเราขนาดเดียวกันมีเรียกว่าสังเวยสระคาถ การจากด้ขขวยกรหับพร้อมพิโดธมีเป็นหลักคำที่จะในทั้งคุณการข่านผาดําเ น, นินกันห่งเป็นล่าเป็นผนเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นปฏิกิติทาอย่างแท้จริงมีละเอียดว่าคำ ข, ของจิงนี่คำของกรอมก็แยกจากนั้นไปโกงเงินข้ามตรงเงนข้ามเรื่อยไปหมดมีเวลานี้มันมีแต่ทำโกงงข้ามเท่านั้นขับติชะตาให้มีความมากน้อยแล้วเราดูที่ทุกวันนี้เป็นยังไง มากน้อยไหมมีทำโครงข้างห็นอแบบนันไม่มีถ้าจะพูดว่ามันไม่มีก็ถูกกันแล้วนักาามันเป็นมหิตาตายเป็นความมากมากถ้าอะไรไม่มีเงินพอจะเป็นการสังสรรค์กไม่มีเงินพอนั้นเองผลโดดคืความมีดีคามมีครามมากแต่ความเต่ะแสวงมันก็มีขึ้นมาเพีย ไม่ใค่เป็นความสันโดษท่าลงสัตว์แสวงความตั้ง่จมีอยู่แล้วและแสดงปีญะมาในทางตาระการทางวารตาระการแม้แสดงมาทางกิตก็ยังบอกไม่ใช่ความจิตหรือเป็นควาดีการที่สิ่งที่เกยวที่นีขึ้นมายนทางคออบครับภาษาพระวันิกาแไม่พุทีไม่พุทีอะไรมันดุ่งกันอยู่ตลอดเลยนะสายหยาดยงไม่ไ่ะ นั่งที่ไหนคุยเป็นเรื่องเลื่องเรื่องเลื่องสุั้ไม่มีคือเรื่องอัดเรื่องคำเรื่องแระพร้อมที่เลือกอ่าพราะเด็กก็ไม่แสงยังไงจะไม่ฟอมได้ยังไงเห็นไม่อย่างชัดๆที่เราไม่รู้ตามทางทางหน้าจิตแจเราตามแตก็มีข้อเท็จจียงในหลักปฏิบัติที่ท่านเป็นสอนมาโดยเันเลนมาตั้งแต่ช่างทิ่ตาตาที่เรีกตาามันเรียกที่ไหนที่ไหนเป็นที่เร่ มีไทยบ้างที่จะคิดเกาะเสือหาที่เหลือขณะที่ควาจัดที่เหลืกอก็เพราะขึ้นเค็ื่อนเช่อมหมุนอยู่ภายในและก่วนควงตัวอยโดยสมันตัวหนูไม่มีการกระทนที่ร่ํารื่อยไทยเหล่านี้มันไม่ได้เห็นมันค่อนข้างจะมันเป็นไทย อ, อยู่ใจิตใจทั้งตัวอื่นแต่ก็เข้าใจว่าไทยอันนี้เป็นคนเป็นท้งถิ่นเป็นเราเป็นท้องเราเป็นสิ่งที่จะสังคมให้มากขึ้นโดยนี้ มีความอสนนงบตกใจว่าสิ่งนี้เป็นใครตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้บ้างเลยวิญญาลังพามเคลี่นในทางไหนอี่มันกงกข้างกันทั้งนั้นวิญญาลังพาเขาเคลี่นถอดถอนพิเรยโดยลําดับมันจะออกเกิดขึ้นมาทั้งรูปทางเสียงทางสิ่งทางรสเรื่องทางผัสหรือธรรมารมณ์ที่คิดขึ้นภายในใจซึ่งเป็นที่เหลยด้วยแล้วต้องพยายามแก้ไข ดัดแจงที่ขอดถอด้วยสกิปัญญาปะคาคามเตนอยู่เลยขนาดสมมเิรลนแต่ละเท่านั้นเรียนยกันไม่ทราบมันมีหรือไม่มีพวาทพ่เป็นยังไงได้ยินติดชื่ออ่านตำรักตำลาอา่านแค่คนได้มีน้ำลายที้งท้องบนมันติดต า, ตากติดใจกะพอไอชื่อของ สมาธิมันมีชื่อของศีลตั้เอแต่ตัวสมาธิองค์ของศีลหรืองค์สมาธิไม่เคยปรากฏภายในจิตใจนั่นเลยปัญญาที่เป็นเรื่องสะท้อนเฉลยนั่นก็มีจตปัญญาความที่จะสังสมเฉลยขึ้นมาขึ้นการหลักนักศาสร์ทั้งความเขา่าเท่านั้นไม่มีเลยได้มุ่งความหุดคน้นมาหลุดค้นี่ตรงไหนได้เมื่อทางเดินไม่มีจุดที่หมายจะถึงได้ยอย่างไร ในตรงกันข้ามตรงข้ามให้เห็นก็คาดเดียงในสมัยผู้จการกับสมัยปฏิบัติไม่ว่าเราว่ากันักแสดงตรงข้ามตรงข้ามสำหลักควา ม, ม จ, าาจริงทั้งหมดก็จะนั่งศาสนาจึงมีสิ่งที่กลมแปลงมากมายใสก่อนในสรุปูกมาในข้อปฏิบัติในตัวข้างเราเองถ้าเราได้เอานำํำทำทั้งกิจการนี้มาเทียบเทียมกับจิตใจของเราแล้วเราก็จะทราบว่าเรานี่กร อ, อยู่ในอุปสรรคศาสนาไม่น้อยแเป็นภาพปาระกอบ อยู่ในตัวเองกับจตปลอมอยู่ในจัสนาธาเนเพสของพระเป็นพระวาามันก็เป็นทั้งๆไปเช่นเดียวกันเพราะต่างคนต่างมุ่งความอ่อนนะมุ่งเฉพาะนำหลักความจริงด้วยกันแล้วจะจะต้องเห็นสิ่ที่ปลอมอยู่ในภานจิตใจเช่นเดียวกันเพราะเจตเมยงมากภระว่ารุชะต้องเป็นเจตวันนั่งยั่ที่มีอยู่ในจิตใจของผู้ใดนี้ต้องเป็นทั้่ๆกัน ไม่เลือกเทศไม่เลือกภาพท่านนั้นนะถ้าผู้ตั้งใจจะพุทธปฏิบัติก็ควรไปเห็นหลักความจริงก็สิ่งจอมกลอมที่นักเ ท, ที่ยวแสง แ, แล้วพยายางแก้ไขดัดแปลงให้เป็นไปตามกิสิทกิกำลังความสามารถขอ ง, ต, งตนเราก็จะควรมีความมุ่งมุ่นตรงสุดสมกับลาีถือพุทกศาสนามาเป็นชาพุทธมีและยี่หลักความจริขงรของศาสนาที่เราจะเที่ยวได้ ทุกวันนี้มันจอมปลอมต่มากน้องขนาัแต่ความจริงมันเข่ากันได้ไหมแค่จะพูดเดวยวมันเข้ากันไม่ได้มันตรงข้ามตรงข้ามหันล้างกันไปทั้งนั้นเพียมยกตัวอย่างขึ้นมาในทำสิบข้อนี้เท่านั้นเราก็ทราบแล้วว่ามันโกงข้ามเลยเป็นปฏิปักษ์ต่อกันหรือมันลบล้างทำที่จริงนั่นไปหม อภิชาตะอภิชาตาก็มหิชตาลบล้างเสียดังคือความมากน้อยนั่นก็มีความมากๆลบล้างไปเสียความพอดีก็คือความเลยเถิดเป็นผู้ลบล้างไปเสียภาษาพัฒนิการไม่ให้ทุกคีก็คือการมั่วขุมนัม่นลบล้างไปเสียที่เภกตาชอบในที่สงัดก็หาเครื่องบำรุงบำเลอมาคลองเป็นอยู่ภายใน บ้านในเรือนในกุฏิอาหารเต็มไปหมดมันลบล้างกันหรือไม่นะนะ้ิริยำลำถามก็เพียนแต่สิ่งอย่งนี้มันไม่ไเพียนเพื่อแก้กิเลสมันลบล้างกันได้หรือไม่นี่มันลบล้างกันทั้งนั้านพูดประดูรำดับนัมันก็มีการลบล้างกระดูรำดับความปลอมนั่นแหละลบล้า ง, ง, ง, ง, งความจริงความจริงไปเรื่อยๆความจริงเราไม่มีถ้ามีก็มีแต่ความจําเลียนตาม ความทีบาลานมาจีความทีไบาลานแบบเป็นท่วมหัวความจําเต็มไปหมดแต่ความจริงไม่ปรากฏภายในใจเลยนี่มันก็ลบล้างกันอีกอย่างนถ้าเราอยากจะทราบความปลอมและความจริงของแต่ปัญหาเราไม่ต้องไปทราบที่ไหนทราบภายในตัวของเราทราบได้ด้วยกันทั้งนั้นเพราะมีทั้งของจริงของปลอมถ้าจะค้นหาที่งนี้มันอีูด้วยกันนอกจากภายในข้อหา ทางการทั้งนี้เพื่อจะให้เราได้เห็นความจริงด้วยความปลอมซึ่งว่ามีอยู่ในสถานที่ใดบ้างมีอะไรบุคคลผู้ใดโภคนะยิโกต้องน้อมเข้ามาสู่ตัวของเราให้ทราบว่าอันไหนจริงอันไหนกลอมเพื่อจะได้แก้ไขดัดแปลงเพราะสิ่งที่มีอยู่ภายในตัวของเราถ้าเป็นสิ่งที่ชั่วก็ทําลายตัวเราหรือดาวีตัวเราอยู่เสมอถ้าเป็นสิ่งที่ดีก็เป็นสิ่งที่ ก, กจตุยงจิตใจของเราให้มีความเจริญมุ่งมั่นสงบสุขอุ่นงี มันนีอยู่ภายในจิตนี้ถึงคนน้อมเข้ามาที่นี่ท่นเรียกว่าโอปนัตอีโกท้งธรรมต้องฟังเข้ามาอย่าฟังออกไปข้างนอกคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีมันเลยเป็นเรื่องส่งโศนกิเลสตัวเองเป็นความหยิ่งก็คนอื่นไปเคียะโดยไม่เห็นโทษของตัวเองว่าความหยิ่งนั้นคือกิเลสน้อมเข้ามาทางในีิจใจ เราจะได้เห็นทั้งความจริงความปลอมที่มีอยู่ในใจแล้วก็กําจัดปัดเป่ากันมาจากฐานที่มีเอามันค่อยหมดไปหมดไปไอ้เรื่องธรรมคือความจริงนั้นเราไม่ต้องไปถามที่ไหนจริงอยู่แล้วมีอยู่ภายในแต่ถ้าอยู่ตัวไม่ขึ้นเพราะสิ่งจอปลอมทับผมโจมตีกันอยู่ตลอดเวลาก็ดิบตัวออกมาเป็นสิ่งจริงแน่นิดหนึ่งก็ไม่ได้นะเหตุกาเรื่องความปลอมของศาสนาปลอมที่ใจของมุกคล ไม่ได้ปลอมอยู่ที่พระพุทธเจ้าไม่ได้ตรอมอยู่ที่ศาสนาธรรมแต่มันตรอมอยู่ที่จิตใจของชาวพุทธเราจะต้องการคาบความจริงความปลอมแล้วก็ค้นควาน้าภายในจิตใจของเราที่เกี่ยวกับอกันนะอีโกเราเห็นสิ่งใดแล้วก็เทียบเทียงกับตัวของเราได้ยินได้ฟังอะไรก็เทียบเทียงเข้ามาสู่ตัวของเราเพราะมันมีอยู่ที่นี่ด้วยกันเราก็จะมีทางแก้ไขดัดแปลงให้เต็มไปทุกความร่าเราื่นดีงามดูสม่ำเสมอ แล้วก็จะเห็นความเจริญรุ่งเรืองทางในตนของตนและในขณะเดียวกันเราก็จะเห็นความเจริญของศาสนาว่าเจริญที่ใดกันแน่ไม่ใช่เพราะศาสนาไม่ได้เจริญที่ตู้ที่หีตที่คัมภีรโบราณาหรับตำล่าแต่มันเจริญอยู่ที่จิตใจของคนเสื่อมก็เสื่อมที่นี่การดใดสมัมใดที่ศาสนาเสื่อมจากจิตใจของคนการนั้นสมัยนั้นหรือกลุ่มนั้นจะต้องแสดงความเดือดร้อนเป็นผลให้ปรากฏขึ้นมา เพราะความเสื่อมของศาสนากับความเจริญของจิเหลือสกันหาอาชวะขึ้นเป็นเครื่องยาดีที่เป็นข้าศึก น, นั้นมันเกิดขึ้นในขณะเดียวกันทางใดที่ศาสนาจเจริญทายในใจิตใจนี้เกิดในบุคคลผู้ใดกลุ่มในนดชาติท่านบณะใดท่านเหล่านั้นนี่ยจะเป็นผู้มีความเจริญดุเดองมีความสงบร่มเยือก าศาสนาให้ความสงบร่มเย็นแก่คนเท่านั้นจิง ท, ที่ไม้ความสงบร่มเย็นแก่คนก็ได้แกที่เดีตที่เรียกว่าเทวทพัพซึ่งเป็นผู้ผู้กลับ ก, กบารจัดทำดังที่ทระเทวทัพเป็นผู้กลับกับพระพุทธเจ้าสิ่งจาลอผู้กพิเดียตทั้งหลายก็เป็นผู้แข่งเป็นปัะตูกัรจัดทำเมื่อทำเจริญสิ่งเหล่านี้ก็ค่อยเสื่อมลงไปเมื่อทำไม่มีอํานาจเพราะเจ้าข อ, จของไม่สามารถที่จะทําให้เกิดให้มีขึ้น ในขณะเดียวกันก็สามารถที่จะถึกเดชขึ้นทําลายคำซึ่งดีอยู่ภายในจิตใจทั้งตอัอยู่ที่ไหนก็ร้อนในเราไม่ต้องไปถามฐานรกอาวีจีที่ไหนผู้ที่รับดีอยู่ผู้ที่รับสิ่งเอาเคาะร้อยู่ตลอดเวลาก็ขีดใจซึ่งเป็นผู้ผขิดพรานขึ้นมาภายในจิตใจทั้งตัเราดูที่นี่เราก็าขาดดงนั้นเราเป็นนักปฏิบัติลงตะนลงตะลุนนาให้เรียนเข้ามาที่นี่ศึกษาเข้ามาที่นี่ เราจะได้หายสงสัยว่าศาสนานั้นรวมอยู่ที่จุดใดซึ่งเป็นจุดสาคัญและเป็นภาชนะสาคัญที่รับรองศาสนธรรมไว้ได้โดยสมบูรณ์จุดสถานที่ใดถ้าไม่ใช่ใจมีใจนี้เท่านั้นเป็นทั้งพันกายวาจาที่แสดงออกในทางใดนั้นก็ขึ้นอยู่กับใยซึ่งเป็นตัวบ่งกลารใจรับการอดลมดีแล้วจิยามายาิยะการประพฤติทางกายวาจา มันก็ดีไปด้วยกันความเสื่อมของศาสนาไม่ได้เสื่อมที่ทาพีบลางเสื่มที่จิตใจความเจริญของศาสนาก็าเจริญที่จิตใจคอาผูปฏิบัติของผู้นักศรีศาสนาและความสุขที่ความสงบสุขที่เกิดซึ่งเป็นผลก็เกิดขึ้นที่ใจที่มีธรรมนั่นเอ แลวอเบกีที่แสดงอยู่ในปัจจุบันปัจจุบันก็คือแสดงอยู่ภายในจิตใจซึ่งมีพิเรลดเป็นตัวผิดขึ้นมาพิเหลดเป็นเ่องผิดความทุกข์ทุกข์ที่เป็นผลกับกากรดขึ้นมาถ้าฐานที่ใดจิตใดเป็นจิตที่ผิดจุดนั้นก็เป็นจิตที่รุ่มร้อนแล้วเราจะหมายถึงอะไรซึ่งเป็นผู้ผิดก็ได้จริญใจผู้คิดไม่ติดกรองอยู่ตลอดเวลาติดกรองในทางผิดก็คือวผิดอาญาผุดขึ้นมาเพ้อรนตัวเองถับผิดในทางที่ดี ก็เป็นความร่วมเวย็นเป็นสิทธิ์ที่เป็นทําขึ้นมาส่งเสริมจิดตใจให้รับความระดวกสบายอยู่ที่ไหนก็สบายทั้งนั้นแหละผู้มีธรรมภายในต่างเพราะนั้นการละ ก, การสงวนตัวจึงเป็นสิ่งสําคัญการแจ้งห า, าตัวเองก็ดีการดัดแปลงตัวเองก็ดีการฝึกทรมานตัวเองก็ดีเป็นสิ่งที่เยี่ยมตามหลังนักบากาที่ท่านสอนไว้พระพุทธเจ้าจะเป็นผู้เยี่ยมในโลกในสะงสารให้เราถานัด้กกาบได้บูชาครบคริษ พระองค์เป็นผู้ฝึกผู้ทรมานพระองค์เองจนมีชัยชนะอย่างเต็มภูมิในหลักธรรมท่านสอนไว้ว่าดัวชาสร้างชาเชนะพขั้ง伽มีมานิเชจีหนึ่งเทรกันจากเทมัตตาลังเทเยขั้ง伽มมจิตกตโมดการชนะผู้อื่นนั้นคุณด้วยล้านก็ตามไม่จัดแต่เป็นความชนะอันเฉยเลยนอกจากการขอเวียนเท่านั้น ภูมาธนะตนเองคือธนะที่เล็กซึ่งเป็นตัวสําคัญอยู่ภายในตนเองนี้เพียงคนเดียวเท่านั้นก็เป็นจูดกระเสริฐแล้วการธนะจริงไม่มีจุดใดที่จะเป็นจุดกระเสริญยิ่งกว่าการธนะตนเมื่อการธนะตนเป็นเห็ น, น, นแล้วเป็นเป็นจริงที่กระเสริฐแล้วการทุกการทรมานตนก็เป็นเรื่องกระเสร ในหลักธรรมทั้งหน้าแล้วว่าวิเดียนาทุกขมัจเจติคนจะร่วงพ้นทุกข์ไปได้โดยลําดับลำดับเพราะความเพียรมิชานคือความเพียรในทางที่พ่อตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้ก็หลุดพ้นทุกข์ซึ่งเป็นเรื่องของยุทลสไปโดยลำดับลำดัเราจะหลุดพ้นที่ไหนมันติดขัดที่ไหนก็แก้ที่ติดขัดนั้นก็ผ่านไปได้ทีนั้นก็หลุดพ้นกันไปได้ที่นั้น น้ำมีอะไรติดขัดนอกจากใจเท่านั้นติดขัดอยู่ตลอดเวลาถึงจะคิดไปซากฟ้าเดินดินที่ไหนก็ตามสิ่งที่ติดขัดนั่นก็ขัดอยู่ที่หัวใจของเราเอิจคิดไปได้ท่าไหใดก็คิดไปได้ได้วยความขัดข้องยุ่งเหยิงภายในจิตใจอยู่นั่นแหละถ้าไม่แก้สิ่งที่ขัดขวางทวงใจนี้ออกเดีย๋ยได้เมื่อไหรสิ่งนี้ที่ต้องขัดขวางนี้ตลอดเวล่าไม่ว่าจะไดเกิดในทบใดชาติใดคิดไปถึงโลกสงสานสี่ทวีก็ตาม มันก็เป็นไปก็ด้วยความขัดข้องตัวเองอยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นทางจรสอนให้คอบน้ำคลุกเคลือบอัตราที่นิ่มๆแทนงลางจิตใจนี้ออกได้ด้วยความเพียรแังไม่ต้องหาความสุขที่ไหนไม่ถามหาความสุขที่ไหนเมื่อหมดทิพยภัยแล้วความสุขก็ปรากฏขึ้นมาเองเลยก็มูดลังพระพุทธเจ้ า, จาของเราเป็นต้นซึ่งทรงทรมานพระองค์จนสุดความสามารถซึ่งไม่มีใครที่จะจะทําได้อย่างพระองค์อื แบบสมบุตรที่เป็นสาระนะของพวกเราก็คือพระพุทธเจ้าทรงดําเนินมาและะ้วอย่างนั้นศาสนาจึงไม่ใช่ช่วยพอที่จะปอกออกมากิน ง, ง่ายๆพอมาวังเพ็นก็พวงเอานี่เอาสินเอาคุณค่าจากการทึกปฏิบัติทั้งทั้งชีวนาปฏิบัติทุตโทตโมทั้งโคไม่ชาบาจิตนั้ น, นเลี่ยร่อนไปที่ไหนออกขวี้ไหนบ้างก็ไม่รู้แล้วก็มาพวงเอาคุณงามความดีมานั่งสมาธิก็เป็นเวลานานไม่เห็นปรากฏ ผลอะไรเลยจะปรากฏอะไรก็ไม่หาผลที่ควรจะปรากฏก็่จะหาผลสิ่งที่ไม่ปรากฏสิ่งที่ไม่ต้องการนั้นก็ได้สิ่งที่ไม่ต้องการเข้ามารครองแล้วกลับเป็นเขาครองหลรามีแต่บังคับปัญญาจิตใจให้ดุ้มน้อนขุ่นโมลอยู่ตลอดอยู่นะนะถ้าดำเนินตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนจริงแล้วธรรมจะไปไหนถ้าไม่ปรากฏขึ้นผิดหือถูกก็ ที่เราดำเนินในทางถูกต้องต้องเกิดขึ้นที่นั่นพระพุทธเจ้าก็เกิดขึ้นที่นั่นเวลาบำเพ็ญก็เพ็ในสิ่งที่ถูกทำที่ต้องดีงามที่ให้ความสงบร่มเย็นจะต้องเกิดขึ้นทีนั่นพระองค์ได้เป็นสารณะของโลกก็ได้มาด้วยการพิสูจน์ปฏิบัติกำจัดที่เละเทะซะในพระองค์เองโดยความออกเป็นเอาตายเข้าไปว่ากันแล้วจุเดียนจะลูกๆของครัมแล้วจะอามงโกนิพานึ้นมาอวดโลกมันอวดไม่ได้นอกแต่เอาที่เละมาอวดเท่านั้น ทังทางก็นังคาถามีแต่และองค์ละองค์ก็เหมือนกันบางบาองค์นั้นฝ่าเท้าแตกเดินจนกลมจนกระทั่งฝ่าเท้าแตกเราฟังบางองค์ตาแตกเพรตาแตกมืดดับทุ่ลงไปทองระหว่ า, างเจ้าพระแม่รากรขึ้นผู้ที่เดินจนกลมจนฝ่าเท้าแตกที่เลืก็แตกไปด้วยกันนั่นเรามีต้องจะทําแต่ พิเรย์ไม่ได้แตกเขด้วยมีแตกก่ทําแตกพราะนั่งภาวนาก็คู่หนึ่งทําแตกแล้วออจิตไม่ทราบว่าไปทิศไหนจะดอนใดดานแดนใดทําแตกนะถ้ายังไม่เข้าใจว่าทําแตกก็คุณก็ทราบถือว่าทําแตกแตกอย่ังไงพนั่งภาวนาก็เอาแล้วเอาเรื่อเวลามาจับกันแล้วเนี่ยนั่งเดี่คู่หนึ่งยามหนึ่งก็ไม่ได้เรื่องทั้งๆที่นั่งนั้งจิตก็ไม่ได้เอาเรื่องกับ ถิ่กับทําเอาแต่เรื่องที่เดืกสร้หาใช่ไหมว่ามายุ่งอยู่ภายในจิตใจพอออกมาก็ทวงเอาคึณเอาค่าเอาสมาธิเอาไปงานอาวิมุตตจากการนั่งอย่างลอยลมนัะเมื่อไม่ปรากฏก็เกิดความน้อยเมื่อําใจว่าเรามีอำนาจเราศรัาน้อยไม่ควรเกี่ยวกศาสนาไม่ควรเกี่ยวกับทำคำสอนของพระเจ้ธธาเป็นคนอาภัพนะพอเราสร้างความอาภาพเสร็จเราในขณะที่เราคิดอย่างนี้เราก็ไม่ทราบ คือที่เดชทำให้สร้างสมาพัฒนอย่างนี้ให้สร้างความคิดความรู้สึกอย่างนี้ขึ้นมาเขาย่งเป็นการทับผมโจมตีตนเองย่งให้ใหแหลกเสือเข้าบอีกเก็นเป็นความคิดที่ดีแล้วหรือความคิดอย่างนี้ถ้าเราไม่ถ้าเราจะแก้ที่เดชเราจะแก้่กชนิดใดที่เดชเป็นประเภทใดประเภทที่คิดอย่างนี้นหละคือเรื่องของที่เดชอย่างโดยดีถ้าเราจะคิดถ้าจะหมักทำมั่งพระพุทธเจ้าก็อพระพุทธเจ้าได้แบกอํานาจวัสนามาจากที่ไหนถ้าไม่ใช่ได้ม า, า, า, าม ด, ด, ด้วยการฆ่าการอบรมโดยพระองค์เอง ด้วยความภาคเกียดเราจะสร้างด้วยวิธีอะไรด้วยวิธีนั่งจีนนอนจินด้วยความเกียดช้างง่ายอ่อนแออย่างนั้นหรือนั่นไม่ใช่ทางสร้างธรรมะนอกจากเป็นการสร้า ง, งที่เล็ขึ้นทายในหัวใจให้เป็นเมจนหาที่ไปไม่ได้หนักอึ้งไปด้วยความทุกข์ความทรมานเพราะที่เล็กเป็นผู้ผิดขึ้ น, นมามากม า, ายนานในกองภายในจิตใจมีวิธีการที่อุบายปัญญาแก้ที่เล็กแล้วก็แก้ย ตามหลักธรรมหาให้ชนะตัวเองแก่ตัวเองที่เลอะอยู่ที่ตัวเองนั่งมาได้เรื่องอนั่งจนได้เรื่องทําไมจะได้เรื่องพระพุทธเจ้าท่านนั่งท่านได้เรื่องเลยทังดีแล้วนั่งทํามาได้เรื่องเดี๋ยวลาทางวุ่นวายเพราเหตุอะไรค้นหดต้นเหตุสาเหตุให้ดี แล้วจะทราบสาเหตุอย่างชัดเจนขึ้นมาที่ใจต่อไปนั่งจะถูกต้องแน่นยำในการประพฤติปฏิบัติในการคิดอ่านใจตรองอะไรทั้งหมดด้วยสติเป็นผู้ควบคุมมีปัญญาเป็นผู้เบิกบุกเบิกทางความเริ่มเย็นเป็นสุขจะปรากฏขึ้นมาโดยลําดับับไม่ต้องค้นหาอํานาจลักษณะมาจากไหนจะเกิดขึ้นจากการทำคุณงามความดีโดยถูกต้องตามหลักธรรมของเจ้าสอนนีิพั้นนั่นจะเป็นเจ้าของสมบัสสาาติแห่งศาสนธรรมคิดปรากฏเด่นอุทนาจิตใจ ธ ร, รมโมปฏิปกคามสว่างกระจ่างแจ้งเกิดขึน้นทางยในใจเทพีเดียดดับบูเป็นไปหมดด้วยอำ น, นาจของความเพี่ยนนิแลศาสนาเจริญเจริญที่นี่เมื่อผู้ทรงศาสนาก็ทรงที่จิตใจอํานาจวาสนามีมากน้อยก็จะทราบที่ใจดวงนั้นโดยไม่ต้องสงสัยว่าวาสนานี้เกิดมาจากไหนก็ามาเกิดขึ้นมาจากความเพียนของผู้ไม่อ่อนแอตรงนั้นทั้งขอใทุกทุกพันธุ์นำไปที่นี้ที่เกิดมาการเจ้าธรรมานี้เป็นธรรมะป่าอาจารย์ ขึ้นูงต่ำตำุ่มเรนนรองขอภายจาความผิดพ่าทังหลายโดยทั่วถึงและขอยกตัวเชิงเน